นามสยามยึดภาคที่สองตอนที่ยีสิบหกทัพไทยบุกยึดสี่หัวเมืองขึ้นของหยวนฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาซึ่งตั้งพักพลอยู่ที่เมืองพัตตบองนั้นสั่งให้พระยาวิเศษเมืองสะเชิงเซาขุมไพรพลร้อยหนึ่งพาช้างพรายสีปราด ซึ่งเป็นช้างของนักองค์จันเขมรนั้นนำมาส่งยังกรุงเทพช้างถึงกรุงณวันศุกร์เดือนห้าแรมสิบเอ็ดค่ำปีมะเมียฉศกเจ้าพนักงานนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้วโปรดกล่าวให้เจ้าพนักงานปลูกโรงรับช้างมาสมโพธ ท, ที่ท้องสนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทไทยสวนปร า, าสาทตั้งพระราชพิธีสงฆ์และพราหมณ์สามวันแล้ว โปรดให้มีการมหรสพสมโพธอีกสามวันครั้งนั้นมีละครอิเหน่โรงใหญ่ผู้ชายของพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนพิพิธภูเบนทร์เล่นประชันกันกันกนกนกบหญิโรงใหญ่เจ๊สัวหงหน้าพระพลาสูงสนุกเหลือที่จะพนาโปรดกลาให้ช้างพลายสีปรลาดขึ้นระหว่างพระราชทธา น, นามกกรว่าพระยามงคลเทพพัสดิน ขชินธรารสีก้านสัตบุตรกำพุทธายแพ้อภิธิหานสู่สมภารสมโพธิอโยธยาพาหณะนาศวรวิราชเลิศ้าเสร็จการสมโพธแล้วโปรดกล้าให้ไปยืนโรงในพระบรมมหาราชวังฝ่ายพระมหาเทพป้อมกับพระราชวรินขำซึ่งโปรดกล้าวให้เป็นแม่ทัพฝ่ายทางเมืองลาวตะวันออก ยกขึ้นไปพร้อมกับเจ้าพระยาบริณเดชาแต่ก่อนนั้นพระมหาเทพยกกองทัพขึ้นไปตั้งอยู่ที่เมืองนครพนมพระราชวรินยกทัพไปตั้งอยู่ที่เมืองหนองคายพระมหาเทพมีใบบอกลงมายังกรุงเทพว่าจะยกไปตีเมืองล่าน้ําซึ่งยวนเรียกว่าแง่าอานได้ยกกองทัพใหญ่ไปถึงด่านกีเหิบเป็นทางช่องแคบ แล้วมีน้ำเหนือหลากมาเดินทางช่องแคบลำบากจึงเดินกองทัพลงไปตีเมืองล่านาไม่ได้แล้วก็ยกกองทัพไปตีได้สี่เมืองคือเมืองมหาชัยกองแก้วหนึ่งเมืองพวงหนึ่งเมืองพลานหนึ่งเมืองชุมพรหนึ่งสี่เมืองนี้ไปได้แต่ณเดือนสามข้างขึ้นในปีมะเส็งเบญจศกนั้นแล้ว ได้กวาดต้อนครอบครัวลาว 6,000 คนซึ่งเป็นคนอยู่เขตแดนยวนนั้นข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาแล้วตีกวาดพาคนตามเมืองเล็กน้อยในแดนลาวขึ้นแกยวนมาได้อีก 2,000 รวม 8,000 คนท่งไปไว้ที่เมืองนครราชสีมาแต่เดือนสี่ขึ้นห้าค่ำในปีมะเส็งเบญจศุกแล้วจะตีเขตแดนยวนต่อไปอีก ฝ่ายพระราชวรินมีใบบอกลงมาว่าพระราชวรินจักพระปทุมเทวาเจ้าเมืองหนองคายและพระพิทักษ์เขตขันขุมไพรพนยกขึ้นไปบ้านโพงามได้แต่งให้ลาวเท้าเพียไปราชการที่เมืองพวนได้ความว่าแม่ทัพยวนขุมไพรพ ย, ยวนห้าร้อยคนเศษมาตั้งพิทักษ์รักษาเมืองพวนอยู่แล้ว แม่ทับยวนกับลาวชื่อเผียเมืองแสนเป็นลาวขึ้นกับยวนคุ้มไพร่พลยวนสองร้อยคนลาวสามร้อยคนเป็นห้าร้อยคนมารักษาเมืองเชียงบีอยู่ช้านานแล้วกับแม่ทับยวนคุมไพร่พลและลาวพันหนึ่งยกมารักษาเมืองเชียงคานยวนตั้งค่ายด้วยหลายค่ายฝ่ายพระราชวรินทร์ได้มีหนังสือใช้ให้เพียมณีชัย ถือไปเกลี้ยกล่อมเท้าเผียเมืองเชียงขวางท้าเพียเมืองเชียงขวางใช้ให้พันศิริชัยบุตรเท้าเจ้าเมืองเชียงขวางมาบอกว่านายทับยวนขุมไพรพลมารักษาเมืองเชียงขวางอยู่ห้าร้อยคนยวนร้อยคนขุมเจ้าอุปหาสเมืองเชียงขวางย้ายไปอยู่เมืองสุยแล้วแต่เดือนยี่แรมสิบห้าค่ำและเจ้าเมืองเชียงขวางลอบออกมาอ่อนน้อมกับพระราชาริน ขอยอมเข้าสวามิภักดิ์ต่อกองทัพไทยแล้วจัดกองทัพลาวไว้พร้อมพันคนเข้าสมทบกับพระราชวริน์ยกมาช่วยกับไทยระดมตียวนฆ่ายวนเสียขังนั้นตายสามร้อยเศษที่จัดเป็นมาได้สี่สิบเอ็ดคนที่แตกหนีไปได้บ้างเล็กน้อยแล้วพระราชวรินจัดกองทัพใหญ่จะยกไปตีเมืองลาวที่ขึ้นกับยวนต่อไปอีกได้ยกมาจากเมืองเชียงขวางแล้วหลายวัน ฝ่ายเจ้าพระยาธรร ม, มาธิบดีสมบุญเสนาบดีกรมวังซึ่งเป็นแม่ทัพยกขึ้นไปเมืองหลวงพระบางภายหลังกองทัพพระหมหาเทพเจ้าพระยาธรรมมามีใบบอกลงมากรุงเทพฉบับหนึ่งใจความว่าได้ยกกองทัพขึ้นไปถึงเมืองหลวงพระบางทักคอยกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ช้านานต่อเดือนสามข้างแรนเดือนสีข้างขึ้นกองทัพไทยเมืองพิชัยเมืองสวรรคโลกเมืองพิจิต เมืองพระพิสุโลกเมืองสุโขทยัยเมืองแพร่เมืองางาญยกขึ้นไปถึงเมืองหลวงพระบางเจ้านาครหลวงพระบางจัดให้เจ้าอุปราชเจ้าราชบุตรแสนเทา้าพระยาลา ว, ทาวเท้าผีนายทัพนายกองลาวมีชื่อขุมกองทัพลาวเมืองหลวงพระบางสามพันคนเข้ามาบรรจุสมทบกับกองทัพไทยรวมไพร่พลครั้งนั้นหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบคน แต่ไพ่ขุนหมื่นพันทนายต่างหาดครั้งณเดือนสี่ขึ้นแปดค่ำปีมะเส็งเป็นจะศกเจ้าพระยาธรรมมาแม่ทัพใหญ่ได้ยกกองทัพไทยลาวเดินทัพออกจากเมืองนครหลวงพระบางขึ้นไปหลายคืนถึงเมืองแข็งครั้งณเดือนห้าขึ้นค่ำหนึ่งปีมะเมียฉศกพระยาสวรรคโลกแม่ทัพกองหนึ่ง จะมื่นมหาสนิทหัวหมื่นมหาเล็กในพระราชวังบวรหนึ่งหลวงนายมหาใจพักนายเวศมหาเล็กในพระราชวังบวรหนึ่งสองคนนี้เป็นข้าหลวงกํากับทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือพร้อมด้วยทัพพระยาพิชัยหนึ่งพระปลัดเมืองพิจิตรหนึ่งหลวงมหาไทยเมืองพระพิษุุโลกหนึ่งหลวงสุภาวดีเมืองพระพิษณุลโลกหนึ่งหลวงพรมสุภาเมืองพิชัยหนึ่ง หลวงมหาพิชัยเมืองสวรรคโลกหนึ่งหลวงแพ่งเมืองสวรรคโลกหนึ่งพระแก้วเมืองแพร์หนึ่งพระวังขวาเมืองแพร์หนึ่งพระวังซ้ายเมืองแพร์หนึ่งเจ้าอุปราชเมืองนครหลวงพระบางหนึ่งพระยาเชียงเหนือเมืองนครหลวงพระบางหนึ่งพระยาเมืองแผนเมืองนครหลวงพระบางหนึ่งถาวมหาการเมืองนครหลวงพระบางหนึ่ง แถวมหาชัยเมืองนครหลวงพระบางหนึ่งรวมพระยาพระหลวงแถวพระยานายทัพนายกองสิบแปดคนเข้าชื่อในใบบอกส่งมายังเจ้าพระยาธรรมมาแม่ทัพใหญ่ว่าได้ส่งเจ้าอุปราชหนึ่งเจ้าเงินหนึ่งเจ้าด้วงหนึ่งเป็นเจ้าลาวเมืองพวนสามคนลงมาถึงเมืองนครหลวงพระบางในใบบอกนั้นมีความว่า พระยาสวรรคโลกแม่ทัพพร้อมด้วยพระยาพระหลวงนายทัพนายกองไทยและลาวยกขึ้นไปถึงด่านหลวงไกลจากเมืองนครหลวงพระบางทางสิบห้าวันจึงพักพลอยู่ที่ด่านหลวงแต่ณเดือนสี่รมสามคำปีมะเส็งเบญเจศยังทางอีกวันกับคืนหนึ่งจะถึงด่านท่าตือแขวงยวนพระยาสวรรคโลกแม่ทัพ ได้ปรึกษากับเจ้าราชบุตรเมืองหลวงพระบางเห็นพร้อมกันใช่พระยาสิงคุดเจ้าเมืองแผนซึ่งขึ้นกับเมืองหลวงพระบางมีหนังสือไปถึงเจ้าสมุทรเขตเจ้าลาวผู้เป็นเจ้าเมืองพวนไจความในหนังสือพระยาเมืองแผนว่าอัครมหาเสนาบดีกรุงเทพมหานครเป็นแม่ทัพใหญ่ขุมตองทัพไทยยกขึ้นมาเป็นอันมาก จะไปตีหัวเมืองลาวซึ่งขึ้นแก่ยวนให้แตกตลอดถึงแม่น้ําสาลวินจนถึงเมืองฮาหนอยที่ยวนมาตั้งป้อมหินรักษาเขตแดนยวนให้ได้จนหมดพระยาเมืองแผนก็เป็นลาวจึงได้คิดรักใคร่เมืองพวนซึ่งเป็นลาวชาติเดียวกันกลัวว่าเมืองพวนจะเสียบ้านเมืองครอบครัวไพ่บ้านพลเมืองจะระสำมรสายไปด้วยกองทัพไทยอย่าให้เจ้าเมืองพวนคิดสู้รบกับ ก, บกองทัพไทย ซึ่งเป็นกองทัพใหญ่ให้เจ้าเมืองพวนออกมาอ่อนน้อมแม่ทัพไทยขอสวามิภัก์เป็นข้าขอบขันเสีมากรุงเทพโดยดีเถิดเป็นข้าสมเด็จพระเจ้าปราศาสทองดีกว่าเป็นข้ายวนแล้วเมืองพวนกับเมืองนครหลวงพระบางจะได้เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันสืบไปฝ่ายเจ้าเมืองพวนมีหนังสือตอบพระยาเมืองแผนมาว่า ซึ่งพระยาเมืองแผนได้มีหนังสือมาชักชวนให้เมืองพวนไปเป็นข้าพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองและเป็นทางเมตตาปราณีให้พลเมืองพวนซึ่งเป็นลาวด้วยกันนั้นข้าน้อยได้ทราบแล้วก็มีความยินดีหาสิ่งใดจะเปรียบอุปมาไม่ได้ข้าน้อยจะใคร่ปรนเปรยตามแต่ก่อนหนังสือพระยาเมืองแผนยังมาไม่ถึงนั้นข้าน้อย ก็ได้รับหนังสือพระราชวรินแม่ทัพไทยกับหนังสือพระปฐุมเทวาเจ้าเมืองหนองคายรวมมาด้วยกันเป็นใจความเกลียดหล่อมเมืองพวนเหมือนเช่นนี้ข้าน้อยเจ้าเมืองพวนได้ทราบแล้วข้อความคล้ายกันข้าน้อยได้ใช้ให้พันแสงใจหารพันสถานทรดีบุตรพระยาเชียงบีขุมไพรพลร้อยเศษ นำสเปียงอาหารไปส่งให้พระยาราชวรินแล้วให้ต้อนรับนำกองทัพพระราชวรินมาทางท่าข้ามช้างท่าดินดานเพื่อจะให้กองทัพพระราชวรินมาช่วยป้องกันมือพวนให้ผลเงื่อมมือยวนบัดนี้ข้าหน้อยเจ้าเมืองได้แต่งให้เจ้าอุปราชเมืองพวนหนึ่งเจ้ารัชบุตรหนึ่งเจ้างูนหนึ่งเจ้าด้วงหนึ่งเจ้าโนคำหนึ่ง เจ้าทิพภัยศาลหนึ่งเจ้านายหกคนหุมไพรพลสองร้อถือทุปเทียนดอกไม้สเบียงอาหารออกมาคอยต้อนรับกองทัพพระยาสวรรคโลกและเจ้าอุปราชเมืองนครหลวงพระบางได้กำหนดนัดกองทัพเมืองพวนจะมาคอยรับทัพไทยอยู่ที่ตมบลบ้านชวดเป็นที่มีน้ำใช้สบายแล้วจะได้เดินทัพเข้าเมืองพวนหนังสือสุภาพข้าน้อยเจ้าสมุทรเขตเจ้าเมืองพวน ไหว้กราบสิโรราบมาเทพเท้าเจ้านายฝ่ายไทยและเจ้าฟ้าพระมหานครศรีสัตนาคณหุ่นร่มขาวหลวงพระบางด้วยเมื่อพระยาสวรรคโลกและเจ้าอุปราชหลวงพระบางได้ทราบหนังสือเจ้าเมืองพวนดังนั้นจึงให้หลวงสุภามาตราเมืองสวรรคโลกกับหลวงพรมเสนาข้าหลวงในกรุงขุมพรไพรพลห้าร้อยยกไปดูพวกเมืองพวนจะมาเป็นกลอุบายหรือจะมาโดยสุจริต ครั้งนั้นได้ให้พระยาปรัลัดเป็นแม่ทัพกำกับไปด้วยทัพพระยาปรลัดยกไปถึงด่านท่าตือเดือนสี่แรมหกคำ่ำได้พบกับเจ้าเมืองสุยขุมพร่พลลาวสี่สิบสามคนมีเครื่องศาสตรอาวุธปืนดาบพร้อมเดินมาถึงท่าตือเห็นไทยมากก็วางอาวุธทุกคนแล้วเข้ามาหากองหน้าหลวงพรมเสนาหลวงพรมเสนาให้ล่ามไปถามว่ายกมาแต่ไหนจะไปไหนเจ้าเมืองสุยตอบว่า เจ้าเมืองพวนใช้ให้นําดอกไม้ทุกเทียนมาคอยคํานับรับ ก, กองทัพไทยผาเข้าไปในเมืองพวนเจ้าเมืองสุยก็ส่งเครื่องศาสตราวุธมาให้ไทยทั้งสิ้นแล้วนํากองทัพไทยเดินไปถึงบ้านสวดขณะนั้นพบเท้าเพียจันขุมไพรพลมาร้อยเศษแบกเครื่องศาสตราวุธเดินตามกันมาเป็นแถวหลวงสุภาพมาตรากับหลวงพรหมเสนาคิดว่า เป็นข้าศึกกลอุบายอย่างใดจึงมีลาวถืออาวุธปืนมามากก็ได้สั่งให้ทหารไทยแยกออกเป็นปีกาแล้วร้องว่ารับสิพ่อให้แยกปีกาออกนำปืนคาบศิลายิงระมไปพักเดียวก็จะแตกนอกพ่อขณะนั้นเจ้าเมืองสุยเห็นว่าไทยไม่ไว้ใจสำคัญว่าข้าศึกจึงเข้าไปหาหลวงพรมเสนาหลวงพรมเสนาก็ไม่หยุด ยังร้องสั่งทหารให้ตรเตรียมการลบเจ้าเมืองสุยเห็นการจะเกิดวุ่นวายขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงร้องบอกพวกเพียจันให้วางอาวุธเสียก่อนให้เข้ามาแต่นายเท่านั้นเมื่อเพียจันเข้ามาหาพระยาสวรรคโลกแม่ทัพแล้วจึงแจ้งความว่าเจ้าเมืองพวนคิดกลัวแม่ทัพไทยจะไม่ไว้ใจเจ้าเมืองพวนเจ้าเมืองพวนจึงเก็บเครื่องตราตรุธหมดทั้งเมือง ให้เผียจันทร์คุมมาส่งให้แม่ทัพไทยเพียจันทร์ได้มอบเครื่องอาวุธให้แก่แม่ทัพไทยที่ตำบลบ้านสวดแล้วจึงแจ้งความแก่พระยาสวรรคโลกต่อไปว่าเจ้าเมืองพวนใช้ให้ข้าพเจ้านำเครื่องอาวุธมาส่งให้แก่ท่านแล้วก็ให้รับท่านไปในเมืองพวนแล้วบอกว่าบัดนี้ยยนคุม้มไพฑูลยน มาตั้งค่ายรักษามเมืองสุยอยู่สองร้อยคนเศษขอให้แม่ทัพไทยรีบยกไปตียวนสองร้อยที่เมืองสุยให้แตกเสียโดยเร็วเถิดจะได้ไปเมืองพวนสบายครั้งนั้นพระยาสวรรคโลกสั่งพระยาพิชัยให้แบ่งกองทัพไทยลาวห้าร้อยยกไปตีค่ายยวนที่เมืองสุยพระยาพิชัยขุมกองทัพยกเข้าตีค่ายยวนที่เมืองสุยตั้งแต่เช้าถึงหน้องเพลนินได้ค่ายยวน ยวนตายประมาณแปดสิบเศษที่หนีไปได้ก็มากแต่กองทัพพระยาสวรรคโลกนั้นย่ายกเข้าไปตีไข่ ย, ยวนที่ตั้งรักษาที่เมืองพวนแต่พระยาพิชัยตีไข่ ย, ยวนเมืองสุยแตกแล้วยวนที่เหลือตายก็แตกหนีต่อไปตั้งรับอยู่ที่ปลายแม่น้ำงึมที่นั่นเป็นที่ป่ามีโรคไข้พิดมากขันลุกขึ้นเวลาเชา้าพระยาพิชัยก็ยกทัพติดตามยวนที่แตกหนีไป ทับยวนตั้งรับอยู่ในโดงป่าแม่น้ำงึมยวนต่อสู้แข็งแรงไทยยกไล่ไปจนถึงที่ชุมนุมยวนยวนตั้งอยู่ในสุมไม้ยิงปืนคาบศิลาออกมาจากสุมไม้ป่ารกถูกไทยล้มตายลงมากฝ่ายไทยยิงปืนเข้าไปบ้างหาถูกยวนไม่เพราะสุมไม้ป่ารกบังอยู่มากขณะนั้นพระยาพิชัยว่า จะยิงปืนโตต อ, อบกับยวนอยู่เช่นนี้เห็นจะเสียทุ่งทีแก่ยวนเป็นแน่ไทยจะตายเปลียงลงทุกทีหยวนจะออกมาจากซุ้มไม้ไล่ฆ่าไทยตายหมดอย่านำปืนยิงกับมันเลยให้ถือหอกดาบวิ่งกรูเข้าไปฆ่าฟันแทงเดี๋ยวนี้จะดีกว่าใช้ปืนพูดเท่านั้นแล้ว ก็ไล่ต้อนผลทหารถือหอกดาบวิ่งกรูกันเข้าไปฟันแทงฆ่ายวนตาย47คนพักหนึ่งแล้วไล่ต้อนลาวให้หนุนไทยเข้าไปอีกพวกหนึ่งลาวถือเงาและหอกฟันแทงยวนล้มตายลงอีกพักหนึ่ง20คนยังยวนที่เหลือตายมีอยู่ในซุ้มไม้อีก53คนก็แตกหนีออกจากซุ้มไม้วิ่งหนีไปในป่าพบทัพลาวเมืองส่างเมืองชุยยกสวนมาเจอเข้าในป่าน้ํางึม พวกลราไล่ฆ่ายวนห้าสิามคนตายหมดยวนสองร้อยคนที่เมืองสุยตายทั้งสิ้นไม่เหลือเลยครันเวลาเย็นผลกองทัพพระยาสุขโขไทยยกขึ้นไปถึงเมืองสุยพร้อมด้วยทัพพระยาพิชัยและทัพกองใหญ่ของไทยด้วยในเวลาค่ําวันนั้นเจ้าเมืองพวนมีหนังสือชัยให้เพียแสนสุริยมาศ ถ, ถือมาให้เจ้าอุปราชเจ้าราชบุตรหลวงพระบาง ถึงเจ้าเมืองสุยเจ้าเมืองสร้างด้วยรวมสี่ฉบับเหนือความต้องกันว่าเจ้าเมืองพวนได้ใช้ให้ทาวเพียพนชัยไปรับกองทัพพระราชวรินแม่ทัพไทยเข้ามาถึงเมืองพวนแล้วแต่เดือนแรมสิบสามค่ำไปมะเส็งเบญจศบวันนั้นเวลาสามยามเศษของทัพพระราชวรินพร้อมกับกองทัพเมืองพวนช่วยกันเข้าล้อมจับองตุนพ่องแม่ทัพยวน ขุมพรไ้พลทหารยวนห้าร้อยคนตั้งพิทักษ์รักษาอยู่ในเมืองพวนที่ด้านใต้พระราชวรินจับเจ้าเมืองจับยวนได้เท่าไรก็ฆ่าเสียทั้งสิน้นและฆ่าเมื่อมันต่อสู้บ้างได้ฆ่ายวนที่เมืองพวนตายหมดทั้งสี่ร้อยแต่ยวนอีกร้อยหนึ่งตั้งรักษาอยู่นอกเมืองพวนนั้นหร้ก็แตกหนีไปพระราชวรินตั้งทหารไทยตามไปจับมาได้ทั้งร้อยคน ให้ค่าเสียที่นอกเมืองพวนแล้วยวนตายครั้งนี้ที่เมืองพวนห้าร้อยคนแต่ยวนสองร้อยคนที่รักษาเมืองสุยนั้นเจ้าเมืองพวนมีหนังสือสั่งกับจับให้เจ้าเมืองสร้างเจ้าเมืองสุยคิดกับเจ้านายเมืองหลวงพระบางข่ายวนสองร้อยคนเสียให้สิ้นอย่าให้เหลืออยู่เป็นเชื้อสายสืบต่อไปพระยาสวัสดิ์โลกให้เจ้าอุปราชเจ้ารัชบุตรหลวงพระบาง เขียนหนังสือตอบเจ้ามืองพวนไปเป็นใจความว่าได้แต่งกองทัพไทยเราไปฆ่ายวนสองร้อยที่เมืองสุยตายหมดแล้วบัดนี้แม่ทัพไทยได้ยกมาพักอยู่ในเมืองสุรยรอฟังราชการอยู่ก่อนให้เจ้ามืองพวนและพระราชวรินข้าหลวงมีหนังสือมาแจ้งข้อราชการที่เมืองสุยบ้าง เขียนแล้วมอบให้เท้าแสนสุริยมาศกลับไปให้เจ้าเมืองพวนฝ่ายพระยาสวรรคโลกแต่งหลวงนาเมืองสวรรคโลกหนึ่งพระยาเมืองแผนหลวงพระบางหนึ่งพระยาเมืองแก้วหลวงพระบางหนึ่งพระเมืองแก้วเมืองแพร์หนึ่งพระวังขวาเมืองแพร์หนึ่งหลวงนรินค่าหลวงกรุงเทพเป็นผู้กำกับนายทัพนายกองห้าคนเป็นหกทั้งข้าหลวงในกรุงขุมไพร่พลลาวหลวงพระบางสองร้อยคนไทยหนึ่งร้อย พาตัวเจ้าปราดเมืองพวนหนึ่งและเจ้าเงินหนึ่งเจ้าด้วงหนึ่งเจ้าพิมพิสารหนึ่งเพียกว่านหนึ่งพระยาแสนโยธาหนึ่งรวมเจ้าสามขุนนางสามรวมหกคนนํามาส่งเจ้าเมืองหลวงพระบางแล้วแจ้งข้อราชการต่อเจ้าพระยาธรรมมาแม่ทัพใหญ่ให้ทราบทุกประการแต่ตัวเจ้ารัชบุตรเมืองพวนนั้นพระยาสวรรคโลกพาตัวนํากองทัพขึ้นไปเมืองพวน ในเดือนห้าปีมเมียฉศกฝ่ายเจ้าพระยาธรรมมาแม่ทัพใหญ่ได้ทราบการดังนั้นแล้วจึงให้พระยาปลัดเมืองพิษณุโลกกับพระยกบัตเมืองสุขโขทัยขุมไพรพลไทยห้าร้อ ย, ย 500, ให้จ่านิดมหาดเล็กกับนายฉลอง น, นายนาศมหาดเล็กคุ่มเพรในพระราชวังบวรเป็นข้าหลวงกำกับทัพพระยาปลัดเมืองพิษณุโลกมีไพรพลส่วนในวังหน้าอีกห้าร้อย รวมไพ่พลพันห้าร้อยคนเร่งรีบยกขึ้นไปตีเมืองลาวสิบสองปันนาและลาวหัวพันทั้งหกบรรดาเป็นหัวเมืองขึ้นแก่ยวนให้ตีกวาดต้อนพาครอบครัวมาให้สิ้นเชิงแล้วเจ้าพระยาธรรมมาสั่งให้เจ้าอุปราชเมืองพวนคุมไพ่พลลาวพวนกลับขึ้นไปรวบรวมครอบครัวลาวที่แต่กระสํมระสายเข้าป่าดงให้คงบ้านเมืองอย่างเดิมให้เจ้าธรรมราชเมืองหลวงพระบาง กำกับเจ้าอุปราชเมืองพวนไปด้วยจะได้ช่วยคิดราชการพร้อมด้วยพระราชววินแม่ทัพไทยแล้วเจ้าพระยาธรรมมากับเจ้านาครหลวงพระบางแต่งให้เท้าคำสุขกับเท้ามงคลเมืองหลวงพระบางและนายประพาธมนเทียนปลัดวางขวาเป็นข้าหลวงคุมไพรพลลาวไทยห้าิบคนผาตัวเจ้าเงินเจ้าดวงเมืองพวน กับคำให้การอุปราชเมืองพวนกับทองคำก้อนหนึ่งทองหนักสามสิบตำลึงสามบาทสองสลึงเฟืองเป็นของเจ้าอุปราชเมืองพวนฝากลงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวณนะกรุงเทพมหานครปลัดวังขวาได้ลงมาถึงกรุงแต่ณเดือนหะกแรมสิบสองค่ำปีมะเมียะศบนำขึ้นทูลเกล้าวถวาย านามสยามยุดภาคที่สองตอนที่ยี่สิบหทัพไทยบุกยึดสี่หัวเมืองขึ้นของยวนกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป